สิไม่มีใครแก้กรรมให้ใครได้แม้แต่พระพุทธเจ้าวิชาแปดของพุทธสามารถรู้จกักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาหรืออัตมันได้จริงอธิบายดูอีกทีอัตตาหรืออาตมันคือตัวเราตัวตนที่เราสามารถ ทำให้ศูนย์สิ้นตัวตนหรือศูนย์สิ้นอาตมันหรืออัตตาไปจากโลกนี้ตลอดไปชัว่วนิรันดรได้จริงด้วยกรรมปัจจุบันทีเดียวทําในกรรมอดีตทําในกรรมอนาคตไม่ได้ทําได้แต่ในขณะเป็นกรรมปัจจุบันนี้เท่านั้นกรรมบาปที่เป็นอดีตก็ดี กรรมกุศลที่เป็นอดีตก็ดีสังสมลงเป็นผลการกระทาของตนกรรมมักะไม่หายไปไหนไม่เสื่อมแต่อย่างใดไม่เจริญใดใดอีกมีแล้วก็มีอยู่อย่างนั้นไปในโลกนิรันไม่มีใครสามารถแก้กรรมดีที่ทําเป็นบาปแล้ว ที่ทำเป็นกุศลหรืออกุศลสำเร็จแล้วทั้งหลายของใครได้เป็นอันขาดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถไปแก้กรรมอดีตของใครอื่นคนไหนได้เลยตนเองเท่านั้นที่จะพอแก้กรรมของตนเองที่จะเกิดในปัจจุบันและอนาคตได้ ใครอย่าดันทุรังอวดดีไปแก้กรรมอดีตของใครเป็นอันขาดมันจะเก่งเกินพระพุทธเจ้าไปนะ